สระดับมาอย่างเงี้ยข้าพเจ้าเนี่ยต้องโดยตรงก็คือข้าพเจ้าน้อมจิตออกจากสรัทธรเนะีแล้วตั้งกระแสสิจิตละมุงมันด้วยและในขณะที่ข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าประกอบโยนิโสมนัิการด้วยชัดเจนมากและโยนิโสมนัิการของข้าพเจ้านั้นมีแสงอรุณเนะี่ยภายนอกนะเป็นตัวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนนะ่ย มีปฏโตโคสาก็คือพัดรสรรุรเสียงของพระบระมศ า, าสดาซึ่งเป็นวสัตธรรมจริงๆด้วยเป็นเสียงของพระบรมศาสดาเข้าหูเข้าพเจ้าเต็มเลยใช่ไหมโสตประสาทของข้าพระเจ้าในรับฟังสุรเสียงของพระบรมศาสดาแล้วโสตวิญญาณของข้าพระเจ้าก็ทํากิจเหนือว่างั้นนะปัญจทาวารเราชนะโสตวิญญาณใช่ไหมสมปฏิชนะ ส, สันติระนาวุฒิปณะเนี่เป็นไปสายของกุศลชนะเลยว่างั้นเถอะเกิดขึ้นในกระแสขันของข้าพระเจ้าเนี่ยทรงจําทุกอนูของคาพูดอะเนี่ยแต่เก็บได้แค่นี้ในรายละเอียดเนี่ย ตามกำลังของข้าพเจ้าเก็บได้แค่นี้โอ้เงนินแต่คําสอนพระเจ้าไม่ใช่ลึกซึ้งแค่ที่ข้าพเจ้ามากล่าวเนอะมากกว่านี้วิ จ, จิตกว่านี้พิสดารมากกว่านี้หลายร้อยหลายลาย้ลานพันในนักแต่ข้าพเจ้าสดับมาด้วยด้วยอย่างเนี้ยกำลังข้าพเจ้ไาได้สดับมาแล้วอย่างนี้โอ้เงินนะไม่ธรรมดาจริงๆเนะ่งั้นแต่เรามาพิจรารณาอี้เราจะเห็นโอ้โหในที่มหัศจรรย์พันลึกใช่ไหมก็ขนาดผ้านวยังแสดงขนาดนี้ถ้าภาษารีบุตรจะขนาดไหนเนี่ยเนอะ ถ้าพิจะนั่อย่างนี้เราจะเห็นอโอ้โหยพระธรรมของพระพุทธเจ้ามหัศจรรย์มากใช่ไหมแล้วก็สร้างปัญญาโพยนันทั้งหลาแล้วท่านจะรู้ความมหัศจรรย์ของพระธรรมของพระพุทธเจ้าสร้างปัญญาบารมีมากแล้วจะรู้ใช่ไหมถ้าปริมาณของปัญญาบารมีมากเท่าไหร่นะจะเห็นความมหัศจรรย์ของพระธรรมของพระพุทธเจ้ามากเท่าปัญญาของเราถ้าปัญญาของเราเท่าทองเมล็ดพันประกาศจะเห็นความมหัศจรรย์เท่ากับทองเมล็ดพันประกา ถ้าปัญญาของเราเท่ากับท้องมเมล็กถั่วเขียวจะเห็นความมอัศจรรย์เท่าท้องมเมล็กถั่วเขียวถ้าขนาดหม้อใบ ย, ย่อมๆก็เท่านั้นแหละขนาดโองค์ขนาดไหายขนาดแทงน้ำเนีหรือทําให้เป็นจั ก, กรวาลได้ก็จะเห็นพระธรรมของพระเจ้าเท่ากับจักรวาลหรือทําปัญญาให้แก่แสนโกจักรวาลได้ก็จะเห็นเห็นปัญญาของพระเจา้าเท่ากับแสนโกจักรวาลเห็นว่าธรรมความละเอียดความอัศจรรย์ของธรรมที่พระเจ้าทรงเห็นนี่เป็นอย่างนั้นที่ก็ น่าสร้างไวมละบารมีใช่ไหมถ้าในบารมีศีลเนคขมะปัญญาก็น่าทําใช่ไหมใช่หน่าประกอบความเพียรเพราะจะตัดสรูทั้งทีต้องหลากหลายปฏิหารอย่างเงี้ยนี่ใช่ไหมใช่พราะตัดสรูแล้วเอ๊ไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยเนี่ยนะเงียบเงียบเอ๊มีชื่อเขาด้วยหรือเอ๊มีเคยเค ย, เคยปรากฏเลยเนี่ยนะเงียบเงียบเลยเนี่ยขัตัดสรููเหมือนกันใช่ไหมก็เห็นความมาสจันของพระพุทธเจ้า ก็ดมาเนี่ยพอไปพิจารณาตอนที่พระเทลราแต่ละองค์ที่ท่านปรินิพานท่านลาพระเจ้าเนี่ยโอ้โหอดมาซึ้งใจมากบางองค์นี่ประกอบความเพียรนะ เ, เช่นพระนาลากะเงี้ยนะท่านบอกว่าท่านขอฟังพระเจ้ากันเดียวพอท่านตั้งอัตยาสายมาแสนกับคือท่านฟังมานานนะแนดีนะ แต่ต่อไปว่าในพบสุดท้ายขอฟังกันเดียวเพื่อไม่ให้พระองค์ทรงลำบากมากเช่ไหมโอ้โหท่านรักพระพุทธเจ้ามากเลยเรารักมากไห ม, ไ ม, ไหมเราอยากให้พระองค์ใช่ไหมหทำไมท่าบอกว่าไม่เคยทำให้พุทธเจ้าลำบา ก, ก น, นะ ไม่ทำไม่ตาตาก็ต้องลําบากใช่ไหมบอกว่าบอกว่าสิ่งต่างๆตาตาคดก็กิตของตาตาคดตาตาก็ทําเสร็จแล้วจิต ข, ของเธอนวนคนไมน้นวนเรือนว่างใช่ไหมเออถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นสาวกของบางองแม้นยุคหลังใช่ไหมท่านเดินบูชาพระเจ้าเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่างเงี้ยบอโอ้โหยิ่งใหญ่มันรู้ดคนที่เพียนขนาดนั้นอ่ะบรรู้บูชา เกี่ยวกัเรื่องของทุกการกิริยาของพุทุษย่าท่านกบูชากันฉะนั้นที่ท่านประกอบความเพียรท่านประสบทุกเนี่ยท่านตั้งใจท่านตั้งใจประกอบเพื่อบูชาคุณของท่านเวลาท่านเหล่านั้นได้บรรลุเวลาเจริญนิพพานท่านก็หันประพักน้อมไปทางพระบรมศาสดามีพระธาตุเป็นต้นเร่องต่้งท่านก็เริญนิพพานถวายเป็นพุทธบูชาเสร็จท่านก็เรินิพพานเงี้ยเนอะโอ้ยิ่งใหญ่แต่ละองค์นี่ท่านความความยิ่งใหญ่มาก บางองค์ถึงขนาดว่าหมายถ้าพระบรมศาสดาทรงพระชนอยู่าเอื้อมประหารมาจะมาแล้วก็ดูโอ้โหขนาดนั้นเลยนี่คือขั้นใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากท่านมีความรักความศรัทธาในพระบรมศาสดาสูงสุดจริงๆคือท่านให้ชีวิตได้อะเนยชีวิตท่านมอบมอบกายเายชีวิตแล้วก็ามาพิจารณาดูโอ้โหเนี่ย ฉะนั้นสัมมาสัมปุทธ h a ตัดสรู้เองโดยชอบแล้วก็ทําให้บุคคลอื่นตัดสรู้นี่ท่านเข้าใจพระพุทธเจ้าท่านท่านรู้ว่าท่านจะเป็นนั่นแหละและสาวกของท่านก็เข้าใจคํานี้เป็นอย่างดีและลึกซึ้งมากใช่ไหมสัตว์โลกในปัจจุบันนี้ที่มาในยุคหลังๆนี่ไม่เข้าใจคํานี้ท่องได้แปร่ได้แต่ความเข้าใจความลึกซึ้งโดยอัฏโดยอัฏฐาโดยพยัญชนะนี่ไม่ได้ไม่ได้คํานี้ พอไม่ได้คำนี้ก็คือว่าตั้งสัตทินซีในพระบรมศาสดาไม่ชัดงอนแงนคลอนแคลนกันอยู่ตลอดเวลาเลยพอไปเจออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้คำว่าสัมมาสัมพุทโธไม่เคยอยู่ในใจของสัตว์โลกเลยใช่ถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะได้อุตรวจสอบเราท่านทั้งหลายเราก็จะเห็นว่ากระแสของนามธรรมที่เป็นสภาวะพุทธ สภาว่าิงการต่จสรู้แทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยหมายถึงอาณาธรมมรรคถ้าสูงสุดเลยถ้ายังต่ําก็คือโสดาปิมรรคนั่นแหละสูงขึ้นไปหน่อยคือสากัดทาคามีมรรคระดับเกือบจะสูงสุดก็คืออนาคาหมีมรรคในแต่ละมรรคเหล่านั้นก็คือนั่นแหละคืออริยมรรคที่เกิดขึ้นในกรมละสันดานของพระผู้มีภาค ในขณะที่เกิดขึ้นมานั้นกลุ่มนามธรรมาทั้งหลายที่ เ, เรียกจิตูบาทั้งเวทนาขันสัญญาขันธสังขารแลขันวิญญาณขันโดยเฉพาะกลุ่มของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นกลุ่มของสังขารละขันธนั้นเป็นตัวนํามีอะไรเป็นตัวนํามีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนําพอสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวายามามีสมาสติสามตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มีบริวารแวดล้อมก็คือ กุมอริยมรรคทั้งหลายมีสัมมาสังกปะใช่ไหมสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิไหมสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาทิฏฐินี่สามตัวนี้เป็นตัวนํามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติสภาวะอันนี้นี่แหละที่เข้าไปกําหนดรอบรู้ทุกสภาวะนี่แหละที่ไปกําหนดรอบรู้ทุกขสมุทัยแล้วละ และสภาวะนี้แหละที่ไปรอบรู้ไปทําให้แจ้งซึ่งนิโรธแล้วเห็นโดยการกระทําให้เป็นอารมณ์สภาวะนี้นี่แหละที่มีการประชุมเจริญอริมักบริบูรณ์แล้วในอรัตอรัตธรรมักําลังจะทํากิจให้เสร็จอยู่แล้วในขณะมรรคจิตเกิดขึ้นสภาวะอันนั้นเนี่ยสภาวะพุทธะกาลังจะเกิดขึ้นในการที่ไปรู้อริยสัจไหมเข้าไปแทงตลอดอริยสัจอันนั้นแหละอาศัยหัตยะวัตถุของพระมหาบุรุษตอนนั้นน่ะ ก็ต้องบอกว่าอาศัยตอนนั้นก็เป็นพระอนาพระอรหัตมรักแล้วบุคคลแล้วในขณะนี้มรรคจิตเกิดขึ้นอหรหัตมรรคบุคคลเพราะอาหรหัตมรักดับไปไม่มีระหว่างขั้นมรคารันตะผลก็เกิดขึ้นก็เป็นอหรหัตผลบุคคลท่านผู้นี้ไงนี่แหละคือสภาวะพุทธพุทธานี่แหละที่ไปแทงตลอดอริยสัตวได้รับผลคืออิอรหัตผล ที่พอแทงตลอดนี่นะแทงตลอดหลายร้อยในพันในเนี่ยก็แปลว่าก่อนหน้านั้นวิปัสสนาญาณที่เป็นห้องวิปัสสนาญาณของท่านที่เป็นฐานของอาราาัฐธรรคนี่หลายร้อยในพันในท่านเก็บอริยสัจมาวิจัยเป็นฐานของอารัฐธรรมิอันนี้จึงประเสริฐยิ่งนะไม่ใช่เป็นอารัฐธรรมที่เดินมาจากสายแคบแคบหรือมีฐานรองรับที่แคบแคบหนุนเนื่องด้วยบา ร, รมีสิบ อุปบารมี10ปรมาทบารมี10ไม่พอหนุนเนื่องในโพธิปักขิยะธรรม37แล้วไม่พอเพราะในนั้นมีมรรคแในนั้นมีโพธมีโพธิชงเจ็นะในนั้นมีสติปัฏฐานมีสมปัติทานมีอิทธิบาทมีสี่มีพระมีโพชิ์ชงและก็จบลงด้วยอริยมรรคอยู่ในนั้นครบหมดเลยนะครบสรุปก็คือโพธิปักขิยะธรรมของพระองค์เนี่ย